การเรียนพระธรรมเนีนะ่ยสิ่งที่ควรทำอย่างหนึ่งก็คือการประยุกต์นำมาใช้ซึ่งความรู้เหล่านี้ไม่ควรอยู่ในคำพีอย่างเดียวในชั้นแรกเราอาจจะยังทำไม่ได้แต่ก็คือสิ่งที่ท้าทายเราเนะี่ยว่าเราควรจะเจริญควรจะทำอย่างข้อความในปฏิสัมภินธมรตที่เราเรียนผ่านมาหลายยาณด้วยกันตั้งแต่สุตต า, ายายานเป็นต้นเนี่ยนะ ท่าในสุตตมยญาณเนี่ยหัวข้อใหญ่ๆของสุตตมยญาณเราก็ควรจําเอาไว้เนี่ยนะแล้วก็เอามาพิจารณาในชีวิตที่เป็นจริงนะอย่างโสตาวัฏาเนปัญญาสุตมเยายานังปัญญาที่ทรงจํามธรรมที่ได้ฟังมาแล้วชื่อว่าสุตตมยญาณ น, นี่เรา ท, ที่เราจําไม่ได้เนี่ยนะสิ่งที่ควรจําคืออะไรคือทำที่ควรรู้ยิ่งทำที่ควรกําหนดรู้ทำที่ควร และทำที่ควรทําให้แจ้งทำที่ควรเจริญนี้ธรรมะฝ่ายเสื่อมนี้ธรรมะฝ่ายตั้งอยู่นี้ธรรมะฝ่ายวิเศษยิ่งขึ้นนี้ธรรมะเพื่อชํำระ ก, กิเลสนี้ทุกนี้สมุทยัยนี้นิโรดนี้มรรคนี่เราก็มาลองไล่ดูว่าในชีวิตที่เป็นจริงของเราเนี่ยอะไรควรรู้ยิ่งบ้างรู้ยิ่งว่าอย่างไรคือคือเรียกว่าทําความรู้จักก่อนเนี่ยนะ อย่าเพิ่งรีบลงไปในรายละเอียดเพราะอะไรลงก็ลงไม่ได้อยู่แล้วล่ะ <c oughs> อ่านไหค่อยๆมาปรับทําความเข้าใจก่อนว่าอะไรเป็นอะไรอะไรบ้างควรรู้ยิ่งอนะในในในชีวิตที่เป็นจริงอ่านนะการอ่านอ่านคัมภีร์เสร็จแล้วก็มาฝึกใช้ในชีวิตแล้วก็กลับไปอ่านคำพี์ใหม่สลับไปสลับมาอย่างนี้จนกว่าจะชนานํานาญเนี่ยนอะอะไรควรรู้ยิ่งนะเนี่ยอย่างการเห็นเนี่ยทวานตาทั้งหมดอะไรควรรู้ยิ่ง ค่ละเอยดถึงสูตรใช่ไหมยกตัวอย่างเั่นจากขูควรรู้ยิ่งรูปควรรู้ยิ่งจากขูวิญญาณควรรู้ยิ่งจากขูสัมผัสควรรู้ยิ่งแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนา ท, ขข whatever, ที่เกิดจากจากขูสัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรรู้ยิ่งเนี่ยนะถ้าทวารตานะถ้าทวารเอ่อทวารตายอะไรควรกําหนดรู้อ่ะควรรู้ยิ่งรู้ยิ่งด้วยญาตปริญญาใช่ไหมควรกำหนดรู้ก็กําหนดรู้ด้วย ตระนาปริญญาจากขูควรกําหนดรู้รูปควรกําหนดรู้จากขูวิญญาณควรกําหนดรู้จากขูสัมผัสควรกําหนดรู้แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาอทุก ข, ขมสุขเวทนาที่เกิดจากจากขูสัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรกําหนดรู้แล้วอะไรควรละจากโสควรละละในที่นี้หมายความว่าละวิปลาสหรือละฉันทาคะ จากขู่ควรละรูปควรละจากขูวิญญาณควรละจากขู่สัมผัสควรละไม่ให้สุขเวทนาทุกเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่มีจากขู่สัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรละหมายถึงละวิปละหรือละฉันทราคาทำที่ควรทำให้แจ้งก็คืออะไรก็จากขูนั่นแหละควรทำให้แจ้งรูปควรทำให้แจ้งจากขูวิญญาณภาษาเวทนาควรทาให้แจ้งที่สุดแห่งสิ่งเราเนี่ยควรทาให้แจ้ง แล้วควรเจริญเนี่ยนะอาศัยจากขู่เราเจริญอะไรได้บ้างแล้วเนี่ยนะอาศัยจากขู่อย่างเดียวเป็นต้นเนี่ยเราเจริญอะไรบ้างหรือยังเนี่ยนะเนี่ยตาสีจากขูวิญญาณภาษาเวทนานั่หนึ่งศีลเจริญได้ไหมเจริญศีลได้ยังไงสองเจริญสมถะได้อย่างไรสามเจริญวิปัสสนาได้อย่างไรแล้วเรานี้ทําให้แจ้งอะไรบ้างแล้วเนี่ยะก็เรามาทบทวนอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยนะถ้าทบทวนอย่างนี้ไม่เห็นง่ายมาก ไปเจริญเรื่องพระพุทธเจ้าแทนพระพุทธเจ้านะสิ่งที่ควรรู้ยิ่งพงค์ก็รู้ยิ่งแนละ้วพงค์กําหนดรู้จักครูนะพะงค์กําหนดรู้รูปนะเอามานึกเรื่องพระพุทธเจ้าแทนแล้วก็ไปยุกลงมาเรามั่งนะนะก็เรียกว่าเจริญพุทธานุสติควบคู่กันไปนี่นะนะถ้าเรานึกเองแล้วมันมืดไปหมดเลยนะพระพุทธเจ้านึกถึงท่านไม่มืดใช่ไหมท่านต้องรู้แจ่มแจ้งแน่ในสิ่งเนี้นะแล้ก็จะได้เป็นอุทาหรณ์เป็นสูตรที่เราจะพิจารณาต่อไป ที่นี้ในการเห็นเนี่ยเสื่มได้ยังไงเช่นถ้าเรารักษาศีลทวารตาของเราเนี่ยเสื่อมเสื่มศีลเราเสื่อมได้ยังไงถ้าเจริญสมถะสมถะเราเสื่อมอยังไงวิปัสสนาเราเสื่อมได้ไหมก็มาถามลักษณะเนี่ยนะเออเมื่อเราเจริญแล้วทาไงกูโสลศีลเขาแค่ดํารงอยู่หรือวิเศษขึ้นได้เพราะอะไรเป็นฐานให้ออกจากวัฏทุกข์ได้อย่างไร น, นะเราก็มาเอาภาคกิจธรรมมาวัดดู ในถ้าภาคยาธรรมต้องเอาศีลสมาธิปัญญานั่นแหละมาเป็นเครื่องตรวจสอบเสร็จแล้วอะไรเป็นสัจจะอะไรอะไรเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ยังไงอะไรเป็นสมุทัยสมุทัยอย่างไรอะไรเป็นนิโรดนิโรดเป็นอย่างไรอะไรเป็นมรรคมรรคเป็นอย่างไรก็สอบถามไถ่ครวนโทษทวนอย่างนี้บ่อยๆเราก็จะเอามาใช้ในชีวิตที่เป็นจริงคือการเอามาใช้ได้มากได้น้อยเนี่ยนะก็ต้องสมควรแก่ ฐานะใช่ไหมฝนอาจจะตกมากตกทั้งจักรวาลใช่ไหมแต่ใครรองน้ําได้ขันเดียวก็ดื่มได้ขันเดียวก็มีน้ําดื่มอยู่ขันหนึ่งพระธรรมคำสอนภาษาริบุตรแสดงในปฏิสัมพิธามรักกว้างขวางประดุษฝนที่ตกในห้องจักรวาลทั้งหมดอเราฟังแล้วเอามาเจริญได้เท่าไหร่ส่วนนั้นเป็นสมบัติของเราส่วนนั้นที่เราแบ่งพระธรรมออกมาจากภาษารีบุตรได้เราแบ่งได้เท่านั้นจริงๆจร่ะก็บุญน้อยได้เท่านั้นนะก็สังเกตได้อย่างหนึ่ง ทีนี้สีลมยาญาณเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยในการเห็นทางตาเนี่ยมันเป็นสีได้ยังไงถ้าเราคิดดูนะจะเจริญสีลมยาญาณเนี่ยสีเนี่ยพ่ออธิว่าอะไรอะไรคือสีแล้วแล้วสีเนี่ยรองรับคุณธรรมอะไรบ้างถ้าเราเห็นแล้วเราทู่สีเป็นยังไงเห็นแล้วมีสีเนี่ยเป็นยังไงถ้าเห็นแล้วทู่สีมีโทษยังไงถ้าเห็นแล้วรักษาสีเนี่ยรักษาต่อไปได้อย่างไรอันนั้นก็เป็นสีแลมยาญาณ ี่ที่เราจะต้องเอามาเจริญให้เป็นขึ้นทีนี้ถ้าสมาธิภาวนามยะยานเนี่ยนะจากสีที่เราเห็นเราเจริญสมถะอะไรได้บ้างเช่นสีขาวสีเหลืองสีเขียวเป็นต้นเนี่ยนะเจริญเป็นกสิณได้ไหมหรือเจริญเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจาคานุสติเป็นต้นได้ไหมเห็นดอกไม้เราเคยเอาดอกไม้อะไรไปบูชาบ้างอย่างเงี้ยนะบูชาพระรัตนะตรายบ้างเราก็ระลึกถึงอะไร สมาธิภาวนาคือเราสามารถทําจิตให้เป็นสมาธิเป็นไปกับปุสนได้อะไรบ้างทีนี้ต่อไปเราก็กําหนดว่าอะไรเป็นปัจจัยอะไรเป็นปัจจ ย, ยุบันก็ตามชาชะกสูตรนะนะหรือว่าจะอาศัยจากขู่กับรูปเกิดจากขู่วิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมการเป็นทัศะศน์ก็มามพิจารณาสิ่งนี้เป็นปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมอันนั้นว่าตานี่มาจากอะไรอะไรมีตาจึงมีนามรูปมี นามรูปเกิดจากอะไรกรรมชรูปเกิดจากกรรมวิญญาณเป็นต้นเนี่ยนะวิ ญ, ญญาณเกิดจากสังขารสังขารเกิดเอ่อมาจากอวิชชาอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณทําให้เกิดนามรูปอันนี้นามรูปก็ทําให้เกิดตาตาเป็นปัจจัยให้เกิดจากครูวิญญาณจากครูวิญญาณเป็ น, เ ป, นเป็นที่ตั้งแห่งผัสสะผัสสะทาให้เกิดเวทนาเวทนาก็ก่อให้เกิดปัญหาถ้าเพลิดเพลินในสี อุปาทานก็ชอบสีเหล่านั้นนั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมกรรมเหล่านั้นเรียกว่ากรรมมาพบพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกกะปริเทวะทุกขโทโมนัสและอุปาญาตแล้วก็พิจารณาการเห็นเนี่ยเป็นปฏิจจสมุปบาทอันนั้นก็เป็นปัจจะญาปริดหายานหรือธรรมะทิติยานอะไรเป็นปัจจัยแก่อะไรเป็นปัจจัยได้โดยประการใด ทีนี้เหตุปัจจัยในอดีตของตาก็ไม่เที่ยงสิ้นแล้วหมดแล้วไปในอดีตที่จะเป็นอนาคตก็จะเสื่อมสิ้นไปในอนาคตที่เป็นปัจจุบันก็กําลังเสื่อมสิ้นไปในปัจจุบันการย่ออดีตอนาคตปัจจุบันโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตก็เป็นสมัสนียานเนี่ยนะอะไรหนอเป็นเหตุให้เกิดตาเนี่ยนะก็อวิชาตันหา เพราะวิชาเกิดตาจึงเกิดเพราะกรรมเกิดตาจึงเกิดเพราะอาหารเกิดตาจึงเกิดแล้วก็นิพภิลักษณะของของตาที่จเจริญเติบโตเป็นต้นมาโดยลําดับทีนี้ตาเหล่านี้จะหมดหมดเพราะอะไรหมดถ้าวิชาดับตาก็ดับถ้าตันหาดับตาก็ดับถ้ากรรมดับตาก็ดับถ้าขาดวิตามินเอตาก็ดับ ตาเขาบอดเลยทีเนาะถ้าขาดวิตามินเอก็ตาเขาบอดแล้ว ก, ก, ก็ถึงไม่ขาดเลยนะบอดไหมมันอยู่ได้กี่ปีล่ะยังไงมันก็ปีปรินามะแปรปรวนไปในที่สุดแต่ที่จริงมันก็เริ่มแปรปรวนมาเรื่อยๆแต่เราไม่สังเกตเองน่นไก็ตาเหมือนเดิมทุกอย่างไหมเมื่อห้าปีที่แล้วตาเหมือนนี้ไหมไม่เหมือนแล้วเนี่ยนะ ได้แวนแล้วก็หนาเพิ่มหนาเพิ่มหนาเพิ่มเรื่อย ๆ, ๆยนะ <S <S ก็แสดงว่ามันแปรปรวนไปนะทั้งได้ปัจจัยเหล่านั้นแต่สิ่งเหล่านี้ก็แปรปรวนไปเสื่อมไปสลายไปก็ตามเห็นแต่ความเสื่อมไปแปรปรวนไปอันนี้ก็เป็นอุทยพย า, ยามเนยทีนี้เมื่อตามเห็นความแปรปรวนของตาเสร็จแล้วก็เห็นความแปรปรวนของสภาพจิตที่ไปพิจารณาตาโดยอนุปัสนาตามเห็นตาโดยอนุปัสนาเจ็ด คือตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตามเห็นว่าเที่ยงตามเห็นว่าทุกข์ไม่ใช่เห็นว่าสุขตามเห็นโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่เห็นว่าเป็นอัตตาตามเห็นโดยความเป็นของหน้าเบือหน่ายไม่ใช่เพลิดเพลินตามเห็นโดยความคลายกำหนัดไม่ใช่ยึดถือตามเห็นเพื่อความดับไม่ใช่สร้างขึ้นไม่ใช่สมุทัยนะสร้างขึ้นตามเห็น้วยความสลักเนไม่ใช่ถือมั่นนี้ทีนี้เมื่อตามเห็นแล้วก็เห็นจิต ที่พิจารณาสิ่งเหล่านี้ว่าตามเห็นจิตเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตามเห็นจิตอันนี้ว่าเที่ยงตามเห็นสภาพจิตที่พิจารณานี้โดยความเป็นทุกข์ไม่ใช่เห็นว่าเป็นสุขเห็นด้วยความเป็นอนัตตาไม่ใช่ได้เห็นด้วยความเป็นอัตตาตามเห็นด้วยความเป็นของหน้าเบื่อหน่ายไม่ใช่เพลิเพลินตามเห็นด้วยความคลายกำหนับไม่ใช่กำหนัดตามเห็นด้วยความดับไม่ใช่ก่อสร้างขึ้นตามเห็นด้วยความสละคืนไม่ใช่ยึดถือ การตามเห็นในลักษณะนี้มากๆเรียกว่าพังคานุปัสนาญาณในนี้เรียกว่าวิปัสนาญาณเนี่ยนะทีนี้เมื่อเห็นอย่างนี้นะตาเนี่ยมีภัยไหมมีภัยเนี่ยนะตาเนี่ยมีภยัยตานี้เป็นเหยื่อของมานเนี่ยนะเรียกว่ามีามิตรเป็นสิ่งที่มีามิตรตานี้เป็นสิ่งที่มีอ่าเป็นสังขารเนี่ยนะตาเนี่ยเป็นทุกข์เป็นต้นแล้วก็ถ้าไม่มีตาเป็น เป็นอะไรเป็นวิสังขารหรือเป็นพ่านิพานถ้าไม่มีตานี้เป็นสุขเป็นต้นเนยนะไม่มีเครื่องล่อเป็นความกเกษมปลอดภัยเนี่ยอ่จิตที่แยกแยะออกในสองฝ่ายได้ใครควรว่าตาเนี่ยฝั่งโลปิยะสิ่งที่พ้นจากตาเป็นโลกุตระเนี่ยนะตานี้เป็นวะตะัตตสิ่งที่ตรงกันข้ามกับตาเป็น วิวัตต์เป็นต้นการนอมพิจารณาแล้วเห็นภัยของตาโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะอันนี้แหละเรียกว่าอาธีนวายานนิธาิธานก็ได้เนี่ยนะหรือพยาญานก็ได้เพราะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภยัยทีนี้ก็หาทางออกจากตาโดยส่วนเดียวใช่ไหมหาทางออกจากตาเอาวางเฉยเพื่อหาทางออกเป็นต้นอันนั้นก็เป็น สังขารุปเปกขาญาณก็ต้องการหาทางออกอย่างเดียวหาทางออกทีนี้ถ้าออกใดโดยส่วนเดียวออกได้ครั้งเดียวนะเรียกว่าตอนแรกในการเจริญวิปัสสนาพิจารณาตาก็พิจารณาจากขู่กับจากขู่สมุทยัยใช่ไหมพิจารณาอย่างนี้มากๆไปจนถึงสังขารุปเปกขาญาณทั้งหมดนี้เรียกว่าสัจจานเนี่ยนะเป็นสัจจานทีนี้อนุโลมไายัก็เกิดขึ้นอนุโลมตามสัจจะที่พิจารณามาแล้ว แล้วก็อนุโลมต่อโพธิปัาขิยธรรมเพราะฉะนั้นจิตก็น้อมไปเพื่อหลีกออกจากตาเนี่ยนะจากสังคตาธาตุเหล่านี้น้อมไปในสังคตธาสังคตาธาตุการหลีกได้หนึ่งครั้งอย่างนี้เรียกว่าโคตภูยานนะหลีกออกจากตาที่เป็นสังขา น, นิมิตมีนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าหลีกได้ออกสองส่วนทั้งจากตาด้วยจากสังขารและจากกรรมเป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็เป็น มัคยานเนี่ยนะเพราะว่าเป็นอัปปนาผลของมรก็เรียกว่าผลผลก็สามารถที่จะประชุมแทงตลอดว่าอะไรจากโคจากโคสมูไทยจากโคนิโรจากโคนิโรทัคาไม่นีปฏิปทา <S <s <uss ur ra> ถ้าแทงตลอดอย่างนี้นะดับตาที่เป็นตาของนรกดับหมดตาของเราที่จะเกิดในนรกนะไม่ใช่ไปดับตานรกเนี่ยน ะ, นะดับตาตัวเองที่จะปฏิสนที่ในนรกเนี่ยดับหมดเลย ดับตาหอยตาปูตาปลาตากุ้งดับหมดเลยของเราที่จะไปเกิดเป็นสัตว์เหล่านั้นนะดับหมดนะดีไหมถ้าไม่มีตาอยู่โผล่แ่านั้นเนี่ยดีนะไม่มีตาโคตากระเบือตากระใบอีกแล้วนะนะหมดแล้วกระไบนี่ก็คือกระเบือนะแล้วก็ดับตาเหล่านี้ที่เกิดในอบายทั้งหมดดับตามนุษย์ในภพที่แปดน่าสนใจกันไหยไม่ต้องตาเอียงตาเขตเเตตาเหลือตาเหลืองอีกต่อไปเนี่ยนะก็หมดสัทีนึ่งนะ มันก็เหลือแต่ตาดีๆหน่อยนิธาตอันนี้เป็นอันนี้สงของการแทงตลอดจากขู่จากขู่สมูไทยจากขูนิโรจากขูนิโรถ้าคาไม่มีปฏิปทา